ก่อนจะเดินม่ท่าทททนนักบุญทุาือท่านหลายท่านก็คงเคยมาที่นี่หลายครั้งหรือบางท่านอาจจะเพิ่มมาใช่ไหมเรามาตรงนี้เราก็มาเรียนรู้เรื่องเรื่องการปฏิบัติธรรมากการปฏิบัติธรรม รู้สึกอย่างไรกับการปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมไปแล้วหลายๆคนที่เคยปฏิบัติมาหลายปีหรือหลายครั้รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของตัวเองไหมเรารู้สึกได้เลยตัวเองไหมมีไหมหรือมีคนรอบข้างสะท้อนนี้เราได้ยินได้เห็นไหมว่าเรามีความเปลี่ยนแปลง ในทางที่รู้สึกว่ามีขึ้นหรือเปล่าถ้าถ้าเราถ้าเรารู้สึกอย่างนั้นนะรู้สึกได้ด้วยตัวของเราเองว่าเราเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะัฒนาขึ้นหรือคนอื่นเราโดนนะคนอื่นเขาเขาบอกเขาชมนะว่าแต่ก่อนอาจจะรู้สึกว่าเราเป็นคนใจร้อน หมดนะิวง่ายต่อไปก็หมดอิวน้อยลงนะใจเย็นขึ้น อ, อะไรเนะี่ยก็แสดงว่าเราหมาักปูกทานนะหรนะือแต่ก่อนเราเป็นคนเป็นแก่ตัวนะแต่พอปฏิบัติธรรมไม้เล่ยก็ความเห็นแก่ตัวก็ลดน้อยลงนะมีความเสียสาะมีความรู้จักช่วยเหลือคนอืนมากขึ้น <c oughs> อันนี้ก็แสดงว่าเราปฏิบัติธรรมนะ ถูกทางนะนะอันนี้ก็ให้พวกเราลองลองตรวจสอบดูดูตัวเราเองเนาะนณะาที่เราปฏิบัติทำเป็นประจำเนะีนะ่ยจิตใจของเราเปลี่ยนแปลงอย่างไรหรือนะคนรอบข้างเขารู้สึกอย่างไรกับความเปลี่ยนแปลงของเรานะแต่ก็จะมีบางคนนะมนก็บางทีก็เคยได้ยินเวลา นะ่ะปฏิธรรมาคนเขาบอกว่าทําไมคนนี้ไปวัดมาบ่อยนะพอกลับมาที่ทํางานยังเหมือนเดิมนะหรือว่าพอกลับมากับบางทียังยิ่งหงุดหงิดกว่าเดิมนะเราก็ไม่รู้นะเราก็บอกไม่ได้ทําไมเขาถนแบบนั้นนะแต่ก็อาจจะแสดงว่ามันก็สองส่วนนะ่ะส่วนคนมองมองน้ําปฏิบททัติธรรมมองว่า ไปวัดไปปฏิบัติธรรมแนละ้วต้องเปลี่ยนกั บ, บนหน้ามือเปน็นลดำมือ <c oughs> จากแบบต้อง ด, ตองดีต้องดีต้องพิเศษอะไหรือเปล่ปานั่น่าจะเป็นความคานหวังของเขามากเกินไปหรนะือเปล่ามีเส้นกบบเจ็นมองแบบจับคิดหรือเปล่ามือนะเพราะเราเอนะถ้าไดาบอกดาที่ทํา ง, งานไปปฏิบัติธรรมนะหรือว่าชี่วัดหรือว่ามาเ ข, ข้าพ่อในวัย บางทีคนใกล้ตัวก็จะคอยแอบดูเนาะ <c oughs> บางคนเป็นสามีภรรยาแันก็แกอบดูทำไมเธอเข้าร้านแล้วทำไมเธอยังขี้นูนบิดเหมือนเดิมทำไมชอบกิ้งมากเหมือนเดิมทำไมยังอขี้บนเราก็ดูนะเขาสะท้อนให้เราเห็นถ้าเป็นจริงแล้วก็ขอบคุณเขานะอย่าไปบางทีนะักปฏิบัติธรรมอาจจะเผลอนะพอเขามาตดมี เติเตียนว่าเราไม่ดีบางทีผู้ปฏิบัติธรรมหรือผู้เขวัดมงทีจะมีภาพว่าภาพาตเองจะต้องดีอพอเป็งคนกำหนดว่าไม่ดีเนี่ยมันจะเหมือนมันจะสร้างเหมือนคนไกลป้องกันตัวเองนะแต่คือคนไกลป้องกันตัวเองนี่คือคนไกลที่เนี่ยกิเลสเขาสร้างขึ้นมามาสร้างขึ้นมาป้องกันว่า มันจะให้คนอื่นมองไม่ดีไม่ได้มีคนตำหนิทีเดียวไม่ได้เราต้องแก้ตัวเราต้องแก้ตา่าหรือเราบาทีเราก็เผลอขนาดเขาว่าเราไม่ดีแล้วขนาก็ไปดา่าไปว่ากระต อ, อะก็สือขาดติไปอบางทีก็อาจจะมีแบบนี้เนาะอะอันนี้ก็ให้เราลองดูแต่มาก็เชื่อว่าถ้าปฏิบัติธรรมถูกทางเนะี่ยมันจะเปลี่ยน พฤติกรรมนะเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจของเราได้อย่างตัวอย่างที่เรามาปฏิบัติที่ตรงนีนะ้ปฏิบัติในแนวหลงพเทียนก็เคยได้ยินประวัติของพ่อเทียนนะพวกเราวัมชั่วงอาจจะไม่เคยได้ยินเนาะตอนที่สมว่าเทียนไปปฏิบัติทำในใหม่ห น, นะที่หนองคายท่านก็ไปแบบเหมือนเสด็จีเนาะอาจจะอยู่บ้านอาจจะยอาจจะมีคน รับใช้คนทําั่นทํานี้ให้ตอนท่านไปปฏิบัติธรรมใหม่ๆท่านก็ยังสิ่งนี้ใส่แบบนั้นนะท่านไปอยู่วัดเนะี่ยไปปฏิบาาัติธรรมแต่ก็ต้องจ้างคนซักเสื้อซับผ้าให้อืจ้างคนชงกาแฟให้ทุกเชา้าอหมือนคล้ายๆคอยเสริมนะคล้ายๆจ้างเด็กจานนั้นคอยซับผ้าคอยนะ่ะเอากาแฟมาให้ทุกเชา้านะ แล้วก็เอาดีมาด้วยเยอะ่ะอามาสูตรคล้าๆว่าส่วนหนึ่งก็อยากจะปฏิบัติธรรมแต่กิเลสส่วนหนึ่งก็อยากจะนเหนียวแน่นในความเคยชินเก่าๆอยู่นอกจาก็เทียนไปแล้วท่านก็เป็นคาราวา่านนะมีเงินทั้งพระากแบบนั้นแต่พอท่านปฏิบัติธรรมจนท่านเข้าใจาเข้าใจความจริงเบื้องต้นก็คือรูปนามเบื้องต้นนะ มันเห็นไห้ว่าเนาความคิดของเราเองที่มันมันหลอกให้เราสูตรบุตรถ้าเราเมื่อใดที่เรารู้ทันความคิดบุตรีมันก็ตกไปเองของมันเองเมื่อเรามันการไปคิดแต่เราไม่หยิบให้กับมันมาไปคิดแต่เราไม่สู้ให้กับมันเยมันก็สูตเองไม่ได้มันจะรักสินหนังพวกนั้นได้รักบุตีได้รักกาแฟได้ ไอที่เคยให้คนอื่นเขซักผ้าให้เนี่ยก็เลิกไปเลยนะเราซักเองหรือเคยได้ยินกูบายจากที่เคยอุปถัมภ์หลวงพ่อเทียนท่านบอกท่านก็ทําอะไรขอท่านเองไนยะพอตั้งมาเป็นพระพอท่านเข้าใจธรรมะมันเปลี่ยนเลยจากแต่ก่อนที่ไม่ค่อยทำอะไรได้วยตัวเองตอนดังก็ทําด้วยตัวเองแทันะ้งหมดเลยซับซีบน ดูแลความสะอาุติเรียบร้อยจิต ใ, ใจเปลี่ยนนิสัยก็เปลี่ยนหรือใคได้ยินหลวงพ่อคำเขียนท่านก็เสยเข้าใหฟังแลาตอนไปปฏิบัติทำใหม่ๆตอนอยู่ใหม่ๆท่านก็ไปอยู่ปุ๋ใกล้ๆหลวงพ่อเทียนเมื่อมีคนมาหาหลวงพ่อเทียนท่านก็คอยอาแต่ดูแลเติม น, น้ำ กูเสือนะพอแขกัะไปก็เก็บเสือเก็บแก้วน้ําให้กับแขกที่มาหาหลวงพ่อเทียนถ้าบอกกันหรือบางทีก็รู้สึกลาคาญเวลามีพระมีเนยมาใช้ให้เร <c oughs> ็วเก็บขับเก็บผลไม้เร็วเนี่ยให้ใหก็รู้สึกลาคาญหรือบางทีก็ลาคาญที่มีแขกมาหาหลวงพ่อเทียน <c oughs> บ่อยลําคาลก็รู้สึกว่าอะไร รู้สึกว่าเสียเวลาเสียเวลาเพราะว่าเรามาปฏิบัติธรรมไม่ใช่จะมาเสริมน้ารูเสือเก็บผักเก็บผลไม้ให้กับพาพให้กับนี่นรู้สึกกําคาก็เลยตอนนก็ ป, ปีไปอยู่ไกลๆนะปีไก ล, กลหรือว่าก็เวลามีภาพนี้มาใช้ท่นก็พยายามที่จะปฏิเสธว่า อันนี้ก็เป็นเบื้องต้นที่ตอนไอ้มาเข้าใจว่าตอนที่ท่านยังไม่เข้าใจท่านเคยรู้สึกแบบนั้นรู้สึกว่าการงานเป็นภารนะน่ะหรือเรื่องไปทําให้กับครูใบจันเป็นเรื่องเสียเวลาแต่พอเราได้อยู่กับหลวงพ่อเขียนแต่มาเห็นหลวงพ่อเขียนประมาณสิบห้าปีนีนะ่เนาะท่านก็ทำเร็งานนะ เราใชาเช้าขนะุดดินปลูกนะต้นไม้นะทํางานต่างๆที่ท่านทําได้ด้วยตัวเองท่านก็ทําทำไม่ได้ด้วยตัวเองก็ไปดูดูคนอื่นทามันก็เป็นความเปลี่ยนแปลงที่มารู้สึกว่าแต่ก่อนมันเขียว่าอย่างหลวงพ่อเขาเขียนแต่ก่อนท่านรู้สึกว่าการงานเป็นภาระนะเสียเวลาปฏิบัติธรรมแต่พอปฏิบัติธรรมจนเข้าใจแล้วนะ การงานมันก็เป well ็นเรื racket, ่องเรื่องที่มีความสุขกับการทําการทํางานก็ได้นะพวกเราเองรู้สึกกังไหงเวลาทํางานเวลาทํางานบ้านรู้สึกเสียเวลาหรือรู้สึกมีความสุขเสียเวลาล้างจานคิดว่าเสียเวลาไม่เสียเวลากว่าบ้านถูบ้านซักผ้าเอง เรารู้สึกเป็นการเสีเวลาไหมหรือเรามองว่าเป็นโอกาสโอกาสที่เราจะได้ปฏิบัติธรรมกับการงานโอกาสที่เราจะได้ทําประโยชน์ให้กับครอบครัวทําประโยชน์ให้กับจุมทนที่เราอยู่เราลองตังเกตือตัวเองเนาะเวลาเวลามีการงานเกิดขึ้นที่เรา มีส่วนเกี่ยวข้องที่ต้องทําเรารู้สึกทําด้วยความเต็มใจหรือทําด้วยความฝืนใจทํา <c ười> ถ้าเราเราก็ดูตัวเองแบบนี้ก็ได้นะดูตัวเองนะถ้าเรารู้สึกว่าทํางานด้วยความสุขด้วยความพอใจเนี่ยแต่ว่าจิตใจเราก็เริ่มเริ่มดีขึ้นนะอมีความรู้สึกว่าเสียสละไม่เห็นแก่กลัว ก็เป็นเราก็สามารถทำงานอย่างมีความสุขนะแต่บางทีคนทำแบบนี้บางทีอาจจะทำไดคขาบเฝือสติก็ได้นะบางทีเราเคยเห็นไหมบางทีทำงานไปนะก็อาจจะชอบทำงานแต่จะขาดสติในการพูดคุยหยอกล้อหรือว่าลืมเนือลื ม, ลมตัวก็อาจจะเป็นไ ป, นปนได้ แต่ถ้าบางคนบางทีทํางานแล้วอาจจะมีความหงุดหงิดอาจจะมีความรู้สึกขัดใจไม่อยากทําแต่ถ้าเขาเห็นความขัดใจเห็นความหงุดหงิดในขณะที่ทํานั้นอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะที่มาพูดว่าอย่างเช่นทํางานบางคนมีความสุขมีความพอใจนะมันก็ดีแต่ จ, จะไม่ดีทั้งหมดก็ได้นะถ้า ถ้าขาดสตินะทาไปสนุกสนานเพคิดเกลินเฉยๆนะมันก็ได้แต่งงานภายนอกแต่งงานภายในใจเรามันไม่ได้นะมันก็ดีอยู่ส่วนหนึ่งคือดีด้วยการได้งานภายนอกแต่งงานภายในใจเราไม่ได้แต่บางคนอาจจะทำงานบางอย่างอาจจะขัดใจอยู่บ้างแต่ถ้าเขาได้เห็นกิเลสที่มันเกิดขึ้นในใจนะอันนี้ก็ดีนะ ได้งานภายในแต่มาทีมงานภายนอกอาจจะทําแบบฟื้นๆอาจจะยังไม่ทำไม่แบบไม่ดีนะนะก็ยังถือว่าอย่างน้อยได้งานภายในเนี่ยเต็มที่แต่งานภายนอกอาจจะได้สักครึ่งหนึนะ่งนะก็ดีอยู่นะใช่ไห ม, มเราเองก็ต้องพิจารณาดูเวลาเราทําการทํางานอะไรต่างๆเนะี่ยงานภายนอกเราได้งานภายในเราได้หรือเปล่า อันนี้คือการทํางานนะไม่ใช่เียแ ค, แค่งานบ้านงานใช้แรงเท่านั้นเนาะโย่ไปจะรองถึงการงานที่เราทําในในแต่ละวันเนาะในที่ทํางานองรอมือว่าเราเรามีความสุขในการทํางานไหมเราเป็นครูเป็นอาจารย์เรามีความสุขในการสอนหนังสือไหมเราทํางานตา่างเนี่ยเรามีความสุขในสิ่งที่เราทำไหม ถ้าเรามีความสุขในการงานที่เราทำเนี่ย ม, มันก็จะทําได้เรื่อยๆนะใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่มีความสุขในงานที่เราทําเนี่ยมันจะทํำไ ม, ม่ความสุ่นี้อย่างในเช้านี้เราล้ามาก็พุ่นมานั่งเช้านั่งรถทู่งมาดีเพราังคนขับนั่งอยู่ ใ, ใกล้ๆกับนนั่ยข้างหน้าคนขับก็บนนะเช้าเนี่ยไม่ค่อยมีลูกค้าไม่ค่อยได้เงินต อ, อบปวดนั่งบนนี่นะก็ ขับช <c ười> ้าก็บ่นคนปิดประตูเสียงดังก็บ่นเราก็ฟังไปเพราะเราเห็นว่าเขาไม่มีความสุขในงานที่ทำเขาคิดถึงแต่ว่างานนี้จะทําให้ไดเงินเยอะแต่ปรากฏว่าคราวนี้มันได้เงินน้อยหรืออาจจะหมดเงนเรื่องอื่นก็แล้วแต่ครแต่ก็เห็นว่าคือพอพอทํางานด้วยหวังก็ที่เงิน พอมันไม่ได้อย่างที่เป้าชื่ขคาดเราเนี่ยมันก็พูดอีกนะหรือว่าไม่มีความสุขมันก็คอยให้วงการทั้งนั้นก็ไม่ค่อยมีความสุขไปด้วยเนืเพราะว่าพอเ้ากรนแล้วคนรอบข้างก็ไม่รื้จะพูดอะไรกับเขาบางทีก็แกล้งเขาก็พูดแกล้งแต่ว่าจะเน้นนะเนี่ยดับในสองครั้งนะรู้ไหมก็คน ไม่รู้เขาพูดเล่นเราจะตกใจเลยทีห้าโมงนี่ยครับก็กลับมานะก็แต่จริงก็เขาก็ไม่หลับบแต่แต่มันก็ทำให้ความไม่เชื่อถือในบริษัทนี้นะมันลดลงเนยมันก็เขาไม่รู้ตัวนะแต่นี่คือมานทีทำงานด้วยด้วยผลตอบแทนนะนก็ทำไม่ไม่มีจิตใจบริการนียมันก็ไม่มีความสุข เวลาเราทํางานเราต้องสังเกตดูว่าเรามีความสุขกับการทำงานมั้ยนะอาจจะความสุขนั้นนะจับจับผลงานที่อาจจะได้ก็ได้หรือพอใจในสิ่งที่เราได้ทําก็ไดนะ้งานบางอย่างเนี่ยเหมือนบางครั้งเหมือนตำน้ำคิดลลายไปนานเนาะบางทีใช้งานสนะ <c oughs> อนคนเนะนี่ยเป็นพ่อเป็นแม่ที่สอนละูกนักบางที เราก็จะรู้ว่าการสอนคนให้เติบโตให้เข้าใจสักอย่างหนี่ยโอ้มันยากนะพวกเราเค่สอนเด็กเขียนหนังสืออ่านหนังสือนะแต่มาเคยมีช่วงต้นๆตึกงานนะเป็นครูข้างถนนเป็นฟงมูลนิธิแห่งหนึ่งนะเป็นสอนเด็กอ่านหนังสือเด็กป .1 นะป .2 นะหรือบางทีตอนบวชแล้วนะ ก็มีเด็กแถววัดนะ่ะก็มาเล่นกับพาร์คมาทีป4ป5นะยังอ่านไม่ออกก็มีสอนเด็กให้อ่านออกอีหุ้มไม่ใช่งานง่ายเลยนะสำหรับวามคนนะแต่เด็กบางคนก็หัวเร็วก็อ่านไ่าแต่เด็กบางคนที่พขอ่านเขาหัวไม่ค่อยดีหรือเขาอาจจะมีอะไรด้วยปุ๊บงานยากอ่ <c oughs> านยากนะจะสอนให้เด็กอ่านหนังสือให้ออกก็ยาก งานบางอย่างเราก็รู้สึกมันยากบนะางทีสอนคนคนหนึ่งนะมันเหมือนบางทีก็ตอนนะักพิธีไล่ไม้หน้ไปก่อนเ่ะ่ยไม้น้าไนนะนะไ ม, ามไม่ทันจะเก็บหรกนะเหมือนสอนคนอ่ะสอนเท่าไหร่เดทีบางคนก็ไม่จำํำนะก็ไม่พัฒนามันก็ยากนะแต่ถ้าเราพอใจในงานที่เราทำเนะี่ยเราก็จะทําได้เรื่อยๆนะทําได้เรื่อยๆวันนี้ทําได้แค่นี้อนะ ก็พอใจแค่นี้ไม่เป็นไรวันหน้าก็ทำใหม่ทำไปเรื่อยๆอันนี้มันก็งานหลายอย่างเลยแต่นั้นงานพัฒนาคนพัฒนาชุมชนการเปลี่ยนแปลงต่างโกเปลี่ยนแปลงโลกก็ดีมันเริ่มต้นจากเล็กๆน้อยๆที่จริงมันก็รวมถึงงานเปลี่ยนแปลงตัวเราเลยนะตังเกตไหแเวลาเราปฏิบัติธรรมนะ อย่ที่มาบอกบางทีมันในแต่ละปีแต่ละเดือนบางทีความเปลี่ยนแปลงบางครั้งมันนิดนิดหน่อยนะหน่อยเนาะแต่คนปฏิบัติทำมาหลายวันจะรู้สึกไหมบางทีมันไอที่ไม่ดีไอที่ยังต้องพัฒนาก็ยังมีขึ้นมาเยอะใช่ไหมมันไม่ใช่ว่าปฏิบัติทำไม่กี่ครั้งแล้วมันจะเปลี่ยนได้ ท, ทันทีแก้ได้ ท, ทันทีงานตัวเราเองก็เป็นงานที่ ต้องใช้เวลาเหมือนกันนะอการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องใช้เวลาพอเรปฏิบัติธรรมแล้วก็แม้คนอื่นไม่เข้าใจเราว่าทําไมเรายังไม่ดีนะหรือยังมีกิเลสเกิดขึ้นอยู่เยอะนะก็ให้เข้าใจว้าเป็นเรื่องธรรมดานะแต่ให้เรารู้ว่าเป็นงานที่เราต้องทําต่อไปนะงานนี้ยคืองานที่สําคัญเราจะทํางานข้างนอกนะ ในหน้าที่การงานในบทบาทสมมติ ท, ที่เราเป็นเนี่ยก็ทำแต่เราอย่าลืงานภายในใจของเราก็คือ ง, งานพัฒนาจิต น, นพัฒนาจิตด้วยวิธีไหนต้องรู้จักจิตใจก่อนนะถึงจะพัฒนาได้มือเราจะทำงานอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องรู้จักรายละเอียดหรือข้อมูลในงานที่เราทำก่อนใช่หเราถึงจะวิเคราะห์ได้ ไปมาเรียนภาษาเนีย่ยนะในทฤษฎีก็บอกตั้งแต่มีห้าขั้นตอนอย่างที่หนึ่งต้องเก็บศึกษาข้อมูลก่อนอย่างที่สองต้องรีคอร์ข้อมูลก่อนอย่างที่สามต้องวางแขนอย่างที่สี่ลงมือปฏิบัติอย่างที่ห้าคือสรุปทบทวนงานการวิจัยของเราก็เหมือนกันนะ ขั้นตอนแนกที่เราต้องทำคือการศึกษานะศึกษาอะไรศึกษาให้รู้จักความจริงของกายของใจนะไม่ต้องปฏิเสธนะเคยเป็นแบบไหนต้องให้เป็นแบบนั้นนะไม่ต้องไปดสร้างภาพต้องดีต้องอะไรปิเศษนะให้ให้สิ่งต่างๆที่มันเป็นน่มันขุดขึ้นมาต้องศึกษาตัวเองให้ใหจ่มชัดก่อนถาพระพจาท่านก็บอกว่า อาเรียสัตว์ก็แรกคือทุกคือสิ่งที่ต้องเรียนรู้หรือต้องกำหนดรูนะ้นั่นเราต้องมาศึกษาการศึกษาใจก่อนเครื่องมือที่จะศึกษาก็คือสตินะคอยมีสติคอยรู้ทันคอยเรียนรู้รู้ทันกายรู้ทันใจนะศึกษาไปเรืนะ่อยมันจะเกิดการมีข้อมันไม่ใช่การคิดนะที่จริงในทางเมื่อวันจะใช้การคิดนะแต่เมื่อเราเห็นดีกว่ มันจะเกิดความเข้าใจมันไคล้ายเหมือนการตกตรกอนทำความรู้ที่จริงการมีนนข้อดีมาเข้าใจว่าเหมือนเป็นการเมื่อเห็นไปไหวมันจะเกิดเหมือนการตกตรกอนความเข้าใจเราเห็นร่างกายเห็นจิตใจเนี้ยไปไหวมันจะเกิดความเข้าใจในเรื่องของร่างกายจิตใจมากขึ้นแต่มันแต่ที่จริงงานในจิตใจนะ มันไม่ค่อยต้องวางแผนอะไรหรอกนะมันไม่ต้องคิดวางแผ่นนงานทำล้มนะแต่มันจะข้ามขั้นตอนตรงนั้นไปมันถูกภาพการปฏิบัตินะเราจะแก้ไขเราจะเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรเปลี่ยนแปลงได้พอแค่รู้ทันนะสติเกิดขึ้นสัมปชัญญะความรู้ตัวน่ยมันจะมันจะตัดบางทีเช่นเมื่อเราเผลอไปคิดหลงไปคิด อันนี้เรีว่าหลงไปแล้วพอสติมันเกิดรู้มันรู้ทันว่าเราจิตมันเผลอไปคิดเมื่อมันรู้ทันแล้วมันเกิดความรู้ตัวความคิดมันก็ตกไปเหมันเรารู้ว่าเราตีแบกของหนักไม่ไหวแล้วพอรู้แล้วก็คิ้ดมันเสียของหนักนั้นก็วางไปก็เราใส่ไหมเวลาเราทุกข์ใจตอนทุกข์ใจเนี่ยเราจะไม่ค่อยรู้ตัวนะว่าเราเผลอตีแบกอะไร แต่พอสักพ hmm. ักหนึ่งมันทุบมากๆจะดูเรื่องอื่นเราไปแปรมันเองเนาะพอรู้ตัวเองว่าแปรแล้วมันก็วางได้นะอันนี้แหละเช่นความคิดมันเกิดขึ้นมาเรารู้ทันเมื่อรู้สันแล้วเราก็จะวางมันได้นะเนี่ยเราเรียนรู้จำมันนะนี่คือท่ากางปฏิบัติที่จริงมันก็ไม่ได้แยกแบบชัดเจนนะที่จริงเราเรียนรู้ไปด้วยปฏิบัติไปด้วย เหมือนไล้าย R D นะวิจัยไปด้วยพัฒนาไปด้วยนะศึกษาไปด้วยนะเปลี่ยนแปลงไปด้วยพัฒนาไปด้วยนะการภาวนาเนี่ยเหมือนเป็นทั้งข้ารการศึกษาและข้ารการพัฒนาเนะ น, น้นเะนี่ยที่จิตใจนี่แหละเนาะเราจะทําอะไรก็แล้วแต่เนาะจะปฏิบาาัติธรรมในระูปแบบเนี่ยมันก็จะเห็นเห็ น, นาตานะิณต่างนี่ยมันเกิดขึ้นนะมันจะไหลออกมาให้เราเห็น เราก็ดูไปนะความอะไรเกิดขึ้นมาในจิตในใจหรือในร่างกายเราก็ดูไป mm hmm. เมื่อดูไปแล้วเนี่ยนะมันก็จะมันจะเห็นเป็นเพียงแค่ภาพการถ้าเรารูนะแต่ถ้าเราไม่ดูเนะี่ยมันจะเข้าไปเป็นเราลองสังเกตดูนะอืมเราพูดเราต้องพูดอย่างนี้เราต้องทําอย่างนี้เราต้องคิดอย่างนี้นนเคยไหม เราเคยไหมเราสังเกตดูพอปฏิบัติทำไปแล้วมันจะมันจะสะดุดที่ทําไมเราต้องพูดอย่างนี้ด้วยทำไมเราต้องทําอย่างนี้ด้วยนะมันจะมีตัวตนที่เปลี่ยนแปลงในการจระทําในบางอย่าง ท, ที่มันเกิดขึ้นมีตัวอย่างที่ค่อนข้างชัดนะมีพระอาจารย์หนึ่นทงทาง่านท่านเคยเล่าใี้ฟังท่านบอกแต่ก่อนนะย คือตอนเป็นคารวาท่านก็จะชอมันมันอาจจะเท่โยนทิชชู่ลงถังขยะเวลากินอาหารอะ น, นะเช็ดฝาหรือเช็ดอะไรเร้ยบรโยนทิชชู่ลงถังขยงรู้สึกถ้าโยนมันโยนเข้ามันแม่มนดีเท่ดีเนาะแต่พอปฏิบัติทาไปแล้วมันเพิ่มเรื่องมีสติเห็นมันก็จะมีความเคยชินนะเขาทาต่ขณะที่โยนทิชชู่ลงทัาขยะมันเห็ยนแล้วพอโยนเทน ตัวตนนี่เราเราแน่เราดีเราเก่งที่เดินเข้าเนี่ยมันขุดขึ้นมาแต่ก่อนมันไม่รู้นะมันว่าเราต้องแบบนี้แหละถึงจะเป็นเราแต่ที่จริงมันก็แฝงความเป็นเราเข้าไปในการกระทำบางอย่างแต่แต่ละคนอาจจะมีความความเคยคินในการทําอะไรตามตามตัวตนที่จะอิงพลาดนะก็ต้องสังเกตดูนะ ให้เราคอยเข้าทันเมื่อเราเข้าทันแล้วมันจะเปลี่ยนได้มันจะเปลี่ยนอย่างที่มาบอกว่าถ้าการปฏิบัติธรรมมันจะเปลี่ยนที่จิตใจเมื่อเปลี่ยนจิตใจแล้วมันจะเปลี่ยนพฤติกรรมต้้งนอกด้วยเนี่เราก็ต้องดูแต่มันอาจจะไม่ใช่ว่าเปลี่ยนเหมือนกันทุกคนนะะไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแล้วเราจะต้องเหมือนกันไม่ใช่เปลี่ยนให้เหมือนกันนะแต่เปลี่ยนที่อะไร เปลี่ยนในการไม่ทําตามกิเลสไม่ทําตามใจที่เคยคิดอันนี้เราจะทําแบบไหนก็แล้วแต่แต่ให้เรารู้ทันว่าไอ้ที่การจะทํานั้นนั้นแบบมันทําด้วยกิเลสมันพาทํากิเลสพาพูดกิเลสพาคิดหรือว่าสตินะรู้ทันรู้ทันแล้วก็ย้งคิดได้ยั้ำพูดย้งทําไม่ทําตามกิเลสได้อันนี้เรา สติจะทำํำในที่เนะี่ยคอยรู้ทันเนาะเราจะทําอะไรก็แล้วแต่เนาะทําการงานก็ดีเนาะมันจะมีตัวตนขอเราที่เข้าผิวแฝงในการงานเนะี่ยเยอะมากนะให้เราปล่อยรู้ทันบางอย่างก็ต้องทําให้ถูกตามสมมติ น, ะนะนะั่นแหละอแต่ก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นกันมากนะบางอย่างนะปฏิบัติทําในรูปแบบบางทีก็จะเกิดความคิดไม่ได้ทํานะแต่มันก็อยาคิด เราปฏิบัติทำบางทีนนั้มันตืดอัดนะแต่มันก็ดีในแง่มันได้เห็นเราตั้งใจเลยนะเวลาเราปฏิบัติในรูแบบตั้งใจวาดเพื่ออย่าเพิ่งทําตามมันบางทีปฏิบัติทำในแล้วบางทีมันจะอยากทํานั่นทำนี่เยอะในรูปแบบนะอย่างบางทีอย่างที่วันเวลาพอจะตั้งใจปฏิบัตินะเดินไปเดินมาก็เห็นแต่นั้นไม่เรียบร้อยอยากจะไปกว่าดอยากจะไปเก็บ ถ้าแก่ไว้เ ม, มื่อเมื่อวานกันเย็นแล้วเม่ซักพอเดินมาเห็นผ่าก็อยากจะไปซักก่อนอืมเห็นนั่นเห็นนี่ก็อยากจะไปทําก่อนอบางทีก็ต้องวาง น, นะวางไว้ก่อนให้มีแล้วเบียดพี่ใ น, นก่อนอทำไปก่อนปฏิบัติไปก่อนถึงเวลาแล้วตตถ้าตอนเช้าตอนเบรคเรค่อยไปทําให้แบบ น, นี้ก็ได้นะบางทีมันจะโดนความคิดลากว่าไปจากทวามจนกลม ได้เราไปจากการนั่งตามงจังหวะนั่งสมาธิเราต้องคอยรู้ทันนะมันอาจจะเกิดขึ้นจริงนะแต่อย่าเพิ่งไปเชื่อมันให้ลองปฏิบัติไปก่อนแล้วเราก็จะเห็นเองว่าไอ้ความอยากมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงลองดูนะลองดูแเวันอยากจะทําอะไรอยากจะคิดอะไรอยากจะพูดอะไรลองอย่าเพิ่งทําตามมันก่อนให้เรา อยู่กับกรรมฐานที่เราทำํำไปก่อนแล้วลองดูว่าไอ้ที่มันคิดมันเที่ยงหรือไม่มเทียเท่ยงนะมันจําเป็นหรือไม่จําเป็นมันก็จะรู้ของมันเองนะอืบางอย่างมันจำเป็นอ่ะบางทีก็ต้องทําอยู่แล้วนะาานาานกะินข้าวอาบน้ำบริการพักผ่อนอ่าไอเนี้ยแต่บางอย่างมันไม่จําเป็นต้องทําก็ได้ไม่ต้องรีบก็ได้มันก็จะรอได้คอยได้อันนี้เนาะถ้าเราฟุ่มสติเราจะเห็น เห็นจดินิสัยความเคยคิดที่มันแฝงเข้ามาต่อการปฏิบัติการปฏิบัติการพูดการทําต่างๆเนี้ยมาจะเห็นเนาะนี่คือความความก้าวหน้าหรือความไปหลังความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีหรือทางไม่ดีเนี้ยเราก็ดูตัวเองได้นะเรื่ปฏิบัติถ้าเราเข้าใจตนี้นทุกการกระทําทุกคําพูดทุกความคิด คือเวลาของการปฏิบัติธรรมํางนั้นไม่ใช่เพียงแค่การกระทําในรูปแบบถ้าเราทําการทํางานไปด้วยเราละทีเลียละความเห็นแก่ตัวไปด้วยก็ชื่อว่าเราปฏิบัติธรรมแต่ถ้าเราทํำแต่ในรูปแบบแต่เรามีแต่ความเห็นแก่ตัวมีแต่ตัวตนเอาความคิดคอนเทนต์เป็นดังแต่ว่าเราก็ยังปฏิบัติไม่ดีครับนะฉะนั้นเราต้องดูตัวเอง ความก้าวหน้าของการทำงนานเราต้ดูที่ตัวเองหรือถ้ามีคนอื่นสะท้อนก็ให้กลับมาสะท้อนโดยตัวเองจริงเนาะอย่าพึ่งตวนรับโดนปฏิเสธเขาชมก็มีใจเขาว่ า, าวก็เสียใจเนี่ยไม่ไม่ควรตวนรับโดนปฏิเสธนะตอโต้ไปเขาว่ามาฟังก่อนดูก่อนมันใช่ไหมถ้าใช่ก็ ขอคุณแก้ไขไปไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรนะเขาเข้าใจผิดบ้างก็ไม่เป็นไรเนะนี่ยเวลาเราทําการทํา ง, งานหรือเกี่ยวข้อกับผู้คนนะมันจะมีเรื่ อ, องพวกนี้ยให้เป็นการทดสอบหรือในการตรวจสอบนะตรวจสอบ ต, ตัวตัวเราเองหรือการภาวนาก็เหมือนกันในรูปแบบบางทีเหมือพ่อเขาเขียนไขาบอกว่าบางทีไม่จำเป็นต้นองไปสอบอารมณ์ ให้เราดูตัวเองเป็นหลักเลยดูไปว่าตอนนี้เรามีสติหรือขาดสติตอนนี้ใจเราอยู่บาเนื่อศกัตัวหรือใจเราต้องลอยไปที่อื่นเราปฏิบัติทำไปแล้วเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองไหมเรารู้ทันตัวเองได้บ่อยไหมอันนี้เป็นการทดสอบดูตัวเองหรืออย่างเรากลับมามีสติได้บ่อยไหมเร็วไหม เวลาคิดแต่ออกก่อนออจะพอจะออกตากความคิดยากมากคิดจนจบถึงออกได้นะฮะแต่ต่อมาพอมคิดขึ้นมาปุ๊บมีสติรู้ปักจับมาได้เลยนัอันนี้ก็คือความภาวนาที่เราจะไปทดสอบดูือว่าตรวสอบดูว่าเรามาผูกทางไหมอันนี้น้องีซเรียกว่าเป็นจะเรียกว่าเป็นสัญยรักของการภาวนาก็ได้นะเป็นตัว ตัวตสอเป็นตัวนะดูกว่าการพัฒนานของเราก้าวหน้าหรือว่าใจหลัง ก, นะก็ให้พวกเราได้ได้ลองตรวจสอบดูตัวนี้แล้วก็ก็คนะ่อยๆ ห, หมัน่นแก้ไขไปนะนานนี้ก็อย่างที่ว่ามันเป็นงานที่ทําไปเรื่อยๆ <c oughs> อย่าเพิ่งไปคาดความความเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันนะมันเป็นงานที่ค่อยๆทําแล้วก็จะค่อยๆพัฒนานไปเนาะก็ ข้อต่าพวกเราไว้ก็เดี๋ยวพอเราก็ตั้งใจปฏิบัติทำกันต่อเพื่อนรู่ใหม่เดี๋ยวก็ที่มนตร์อาจารย์ต้นให้แนะนำ